ทุกคนสามารถเห็นสภาวะธรรมได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ไม่สนใจที่จะดูอย่างความสุขความทุกข์นี่เป็นสภาวะธรรมใครๆก็รู้จักความสุขความทุ ก, กข์ลบโกดลงใครๆก็รู้จักนี่คือตัวสภาวะธรรมใครๆก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้ไม่เห็นความสําคัญที่จะรู้มันสำคัญนะถึงขนาดที่จะพาเราจากปุถุชนเนี่ยไปสู่ความเป็นพระอริยะได้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 พระตถ า, าคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้สอนเรื่องอย่างนี้เราฟังแเราก็งันๆ น, นะสารีบุตรฟังแล้วรู้เรื่องอริยสัจส์่ประโยคของพระอาชาชินี่แหละสอนออกมาเป็นคาสอน3าประโยคนะเป็นคาสรุปประโยคนึงบอกว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุทำใดเกิดจากเหตุประโยคที่2พระตถ า, าคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น ประโยคที่3พระธาถาคตเจ้าแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นอันที่สี่เป็นคำสรุปเพราะพุทธเจ้าธรมถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้งั้นปกติของพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอริยสัจเ์ปกติของท่านก็คือสอนอริยสัจนั่นเองทำใดเกิดแต่เหตุอะไรที่เป็นธรรมที่เกิดแต่เหตุรูปกนามขันหอายตนะหกทาสิบป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 หรือว่าขณะโน้นโน้นต่อไปอีกไกลๆกลหรือไปชาติต่อไปหรือไปชาติโน้นต่อไปอีกหลายๆชาติถือจะรับกรรมก็เป็นไปได้ดีกรีของการรับกรรมนั้นไวไม่เท่ากั น, นกรรมแต่ละตัวแต่ละตัวบางตัวกรรมรุนแรงให้ผลเร็วให้ผลในปัจจุบั น, นกรรมบางตัวอ่อนหน่อยก็ให้ผลในชาติต่อไปกรรมบางตัวอ่อนมากๆนะให้ผลในชาติถัดถัดไปนู้นเลยทำไมเทวทัศน์ ทำไม่ดีกับพระพุทธเจ้านะแล้วอยู่ไปจ น, นแก่เลยนะอยู่หลายปีหลอกตั้งแต่อาชาตศัตรู ย, ยังเป็นเด็กนะหลอกตั้งแต่เป็นมกุกราชกุมารนนะั่งกว่าจะถูกทรณีสุบเนี่ยอยู่กันนานหลายปีทําไมสุบช้า mm hmm. พระเจ้าสุปปาพุทธะพ่อตาพระพุทธเจ้าบ้านนี้นะทั้งพ่อทั้งลูกชายถูก ธรณีสูบทั้งคู่เลยสูบพระพุทธาเห็นพระพุทธเจ้าบินทะบาตออกไปขวางนะไม่ให้ท่านไปบินทะบาทท่านก็เดินหลบน ะ, ะต่ตนนอื่นมันก็ไปขวางอีขวางไปขวางมาท่านยิ้มนะท่ก็เดินกลับวัดท่านไม่ได้บินทะบาทหรอกกตานั่นถูกธรณีสูบใช้เวลานิดเดียวทำไมสูบไม่เท่ากันสูบเร็วไม่เหมือนกันใครตอบได้บ้าง หลวงพ่อตอบไม่ได้ดูแต่ว่ามันเป็นกรรมหนักเนี่ยกรรมหนักมากๆเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นอาจินไตนะไม่ใช่ภูมิที่สาวกจะรู้เรื่องของสัพพัญยุตยานของพุทธเจ้านี่ไม่ใช่สาวกจะรู้ได้เรื่องของกรรมเนี่ยไม่ใช่ภูมมที่สาวกจะรู้แจ้งสาวกจะรู้ได้ไม่หมด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 ไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องโชคดีมีแต่เรื่องที่ต้องทําเอาเองทั้งสิ้นนําพักน้าแรงทั้งนั้นเลยจะดีหรือจะเลวจะบรรลุมากผลหรือไม่อยู่ที่ตัวเองต้นตุล ท, ทามามากก็เพราะว่าเขาทํามามากชาญนี้เขาง่ายก็เพราะมีเหตุดีคือเขาทำมาเยอะเราทํำรู้สึกยากยากทํามาหลายปีแล้วยังไม่ได้สัที